ตลิดพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส6หกเมษายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ มาทำงานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้เพื่อประโยชน์สูงและความหมดพ้นสิ้นจากความทุกข์ทั้งหลายงานที่ทรงมอบไว้นี้ก็มีอยู่สประการด้วยกันคือ 1. ให้ละบาปสองให้ทำความดี 3. ให้ชำระจิตใจ ให้สานี่คืองานของพวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้เพราะเป็นงานที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงงานอื่นๆ น, นั้นเป็นประโยชน์ก็ก็เป็นประโยชน์กับร่างกายหรือเป็นประโยชน์กับกิเลสตัณหา ซึ่งถ้าเป็นประโยชน์ของกิเลสตัณหาก็จะเป็นโทษกับจิตใจเพราะจะทำให้มีความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นไปส่วนประโยชน์ทางร่างกายก็มีอยู่ได้ไม่นานเพราะร่างกายนี้มีอายุเพียงไม่เกิน 80-90 ปีก็ต้องสูญสลายหมดไป แต่ใจนี้ไม่มีอายุยืนยามนานไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่มีวันตายใจนี้มีอายุยืนยาวนานประโยชน์ที่ทําให้กับใจก็จะติดอยู่กับใจไปส่วนประโยชน์ที่ทําให้กับร่างกายก็จะหมดไป เชนหาเงินหาทองได้เป็นร้อยล้านพันล้านเวลาตายไปเงินทองร้อยล้านพันล้านก็กลายเป็นของผู้หลไปส่วนประโยชน์ที่ให้กับกิเลสตัณหาก็จะกลายเป็นความทุกข์ที่จะติดไปกับใจติดเป็นนิสัยไปถ้าชอบเดิมสุราก็จะติดนิสัยเดิมสุราไป ถ้าชอบเล่นการพนันก็จะติดนิสัยเล่นการพนันไปถ้าชอบเที่ยวกลางคืนชอบคบคนชั่วเป็นมิตรชอบความเกลียดคร้านก็จะติดนิสัยไปนะการกระทําประโยชน์ให้แก่กิเลตัณหาจึงไม่ควรจะกระทำส่งสอนให้ละนะส่วนประโยชน์ที่จะเกิดให้แก่จิตใจ ควรจะทำให้มากๆเช่น uh, ทำบุญให้ทานเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้สว่างเป็นการชาร่ระจิตใจให้สะอาดปดยสุกเพราะความสะอาดของจิตใจนำความสุขที่แท้จริงที่ถาววงมาให้ ความสุขที่เราได้จากกิเลสตัณหาเป็นความสุขชั่วคราวชั่วขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสแต่หลังจากนั้นไปก็จะเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความหิวความอยากความต้องการที่จะต้องคอยหาความสุขจาก ความโลภความอยากต่างๆมาเติมใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายตายไปใจที่ยังมีกิเลสตัณหามีความโลภความอยากก็จะต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ไปหาความสุขใหม่แล้วก็ไปทุกข์กับการหาความสุขต่างๆ ทุกข์กับความอ้างว้างปล่าเปลี่ยวทุกข์กับความหิวกับความอยากความต้องการที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราอย่าไปทำประโยชน์แบบนี้อย่าไปทำประโยชน์ให้กับความโลภความต้องการต่างๆทรงสอนให้เราใช้เหตุผลคือ ให้เราหาเท่าที่จำเป็นพอเพียงต่อความต้องการของชีวิตเราก็พอแล้วเ<ำ>ช่นชีวิตเราต้องการอะไรขาดไม่ได้เราก็ต้องหามาคือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ ก็จะอยู่ไม่ได้หรืออยู่แบบแรงแคนอยู่แบบยากลำบากแต่ถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกลับกลายเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไปเช่นมีบ้านหลายหลังมีเสื้อผ้าล้นตู้เกินความจำเป็นก็จะต้องกลายเป็นภาระ กับจิตใจที่จะต้องคอยดูแลรักษาพระพุทธเจ้าจึง ส, สอนให้พุทธศาสนิกชนจเจริญคุณธรรมที่เรียกว่ามักน้อยสันโดษเ <c oughs> พราะจะเป็นการปลดเพิ่มภาระที่มากดมาทำให้จิตใจต้องแบกบต้องเหนื่อย ไปโดยปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรมักน้อยก็คือตรงกันข้ามกับความโลภนั่นเองแทนที่อยากจะได้มากๆก็อยากจะได้น้อยๆยเอาเท่าที่จําเป็นมักน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นเช่นเสื้อผ้ามีสักสองสาชุดสี่ห้าชุดพอสลับสอบเปลี่ยนกันได้ก็พอแล้ว รองเท้ามีสักคู่สองคู่ก็พอแล้วไม่ต้องการมากไปกว่าที่จำเป็นนะเรียกว่ามักน้อยส่วนสันโดษนี้ก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าจะมีความจำเป็นต้องมีรองเท้าสองสามคู่แต่ถ้ามีอยู่คู่เดียวก็ขอให้พอใจ กับรองเท้าที่มีอยู่คู่เดียวใส่ไปก่อนถ้าไม่มีรองเท้าก็ใช้ไม่ต้องใสใช้ใช้เท้าเปล่าไปก่อนจนกว่าจะหามาได้และหามาด้วยวิธีที่สุดจริญไม่ได้หามาด้วยการทําบาปเช่นบางคนนี้ขาดแคลนอะไรไม่สามารถทำมาหากินได้อย่างสุดจริญ ก็ต้องไปทำบาปไปลักขโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องต้องใช้ไม่ควรจะทำอย่างนั้นควรจ ะ, จะเจริญสันโดษคุณธรรมสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็พอใจกับสิ่งที่ได้มา ถ้ายัางต้องการอีกก็รอไว้วันหน้าโอกาสหน้าหาไปเรื่อยๆตามกำลังที่เรามีอยู่และหาด้วยความสดจร่นเพราะว่าถ้าไปหาด้วยการกระทำบาปก็จะได้ไม่คุ้มเสียได้สิ่งมาสิ่งที่เราได้มานี้ ไม่มีคุณค่าเท่ากับสิ่งที่เราเสียไปสิ่งที่เราเสียไปก็คือความดีเสียศีลธรรมสิ่งที่เราได้มาก็เป็นเพียงวัตถุข้าวของต่างๆซึ่งไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้ถึงแม้จะยากลาบากหน่อย ก็ดีกว่าไม่มีศีละธรรมเพราะถ้าขาดศีละธรรมแล้วจิตใจก็จะตกต่ำจากมนุษย์ก็ต้องลงไปสู่อบายศีละธรรมนี้เป็นเหมือนกับประตูที่จะกั้นไม่ให้จิตใจของเราเข้าไปสู่อบายนั่นเองอบายก็คือที่อยู่ที่เกิดของสัต สชนิดได้แก่เดรัจฉานเปรตอสุรกายลาัทธรกเป็นที่อยู่ที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขการอยู่ของเดรัจฉานกับการอยู่ของมนุษย์นี้เราสามารถเห็นได้ชัดว่าแตกต่างกันมนุษย์อยู่อย่างสบายกว่าเดรัจฉานเดรัจฉานนี่อยู่อย่าง ยากลำบากและก็มีอันตรายรอบด้านเพราะเดรัจฉานเขาจะฆ่ากันเพื่อเป็นอาหารปลาใหญ่กินปลาน้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กแต่มนุษย์นี้เรามีศีลธรรมเราเคารพในชีวิตของผู้อ<ม>ื่นเราจะไม่ไปฆ่าผู้อื่น พราะเรารู้ว่าถ้าเราฆ่าแล้วก็จะมีโทษตามมาสังคมของมนุษย์จึงดีกว่าสังคมของเดรัจฉานเพราะมนุษย์มีศีลธรรมนั่นเองส่วนเดรัจฉานไม่มีศีลธรรมดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่เป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆและเมื่อตายไปแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ โดยที่ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานหรือไปตกนรกเราก็ควรที่จะรักษาศีลให้ดีอย่าไปทำบาลด้วยการใช้คุณธรรมที่พระเจ้าทรางสอนให้เราเจริญกั น, <c oughs> ก, นก็คือความมักน้อยสันโดษนี้เองเอาเท่าที่จำเป็นเรียกว่ามักน้อย หรือเอาเท่าตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นถึงแม้ว่าจะไม่พอแต่ก็คิดว่าดีกว่าไม่ได้ก็แล้วกันเช่อนอยากจะรับประทานอาหารให้อิ่มทอ้องแต่ไม่มีปัญญาที่จะหาอาหารมาให้อิ่มได้รับประทานาหาไดมาเพียงให้าหาใ ห, ให้ให้ได้ครึ่มท้องเท่านั้นก็ยังดี ยังดีกว่าไม่ได้รับประทานเองอย่าไปกลัวความตายอย่าไปกลัวอดตายอดตายดีกว่าตายไปแล้วต้องไปเป็นเดรัจฉานอย่าอยู่แบบไม่มีศีลธรรมเพื่อรักษาชีวิตไว้สู้ตายดีกว่าตายด้วยศีลธรรมตายแล้วไม่ต้องไปเกิดในอาบาย ไปสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยอย่างนี้เรียกว่ากรรมใหแต่ถ้า <c oughs> ต้องไปทำบาปเพื่อหาสิ่งต่างๆที่ต้องการมาเวลาตายไปนี้จะขาดทุนจะต้องไปเกิดในอบายนี่คือเหตุผลที่พวกเราควรจะเจริญ มักน้อยสันโดษในชีวิตของเราแล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดต่างกับคนที่ไม่มีความมักน้อยสันโดษมีความโลภโมโทสันมักจะอยู่อย่างวุ่นวายใจเพราะว่าจะต้องไปทําบาปทํากรรมต้องไปสร้างเวรสร้างกรรม ไปมีปัญหากับผู้อื่นไปมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องคอยตามจับมาลงโทษนี่คือผลเสียที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เจริญมากน้อยสมดุลความโลภมันจะคอยหลอกเราอยู่เสมอว่า ได้มาแล้วจะดีจะมีความสุขมากขึ้นแต่มันไม่เคยบอกเลยว่าได้มาแล้วจะมีความทุกข์มากขึ้นเพราะเวลาที่เราได้อะไรมาเราก็ต้องรักต้องหวงต้องห่วงต้องกังวลกลัวว่ามันจะหายไปหรือหมดไปแล้วเวลาที่มันหายไปหรือหมดไปก็เสียใจ แล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องไปหามาใหม่อีกต้องไปเหนื่อยกับการไปทำบาปทำกรรมอีกจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ่งสุดดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพ่อพระเจ้าแล้วเราจะมีความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ความสุขนี้ต้องอยู่ที่ความสงบของใจความสุขที่เกิดจากการได้ชำระความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ <c oughs> ให้เบาบางลงไปไม่ใช่ไม่ใช่เอาความโลภมาสร้างความสุขอันนี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นระยะสั้นๆเช่นเวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวพอเราไปได้ไปเที่ยวเราก็มีความสุขแต่พอเราต้องกลับมาอยู่บ้านเราก็จะรู้สึกว้าเหวแลวก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกถ้าเราออกไปเที่ยวบ่อยๆต่อไปเราก็จะไม่มีเงินทองพอใช้ แต่ความอยากเที่ยวก็ยังจะไม่หมดไปเมื่อยังอยากต้องไปเที่ยวอีกไม่มีเงินก็ต้องไปหามาด้วยวิธีต่างๆถ้าไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีสุจริตก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีทุจริตทำบาปทำกรรมไปช่อโกไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงและดีไม่ดีก็อาจจะ ต้องไปฆ่าผู้อื่นเช่นโจรผู้ร้ายที่ไปป้นธนาคารถ้ามีการต่อสู้ขึ้นมาก็จะอาจจะต้องฆ่าผู้อื่นหรืออาจจะต้องถูกผู้อื่นฆ่านี่เป็นผลที่เกิดจากการที่เราไม่ควบคุมความโลภของเราไว้ความโลภนี้ท่านก็สอนว่าให้ใช้เหตุผล เวลาเราอยากจะได้อะไรถามว่าถ้าไม่ได้มาแล้วจะตายหรือเปล่าถ้าถ้าจะตายก็ต้องหามาอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเรียกว่าเป็นความจำเป็นแต่ต้องหามาด้วยวิธีที่สุดจริตคือไม่ทำบาปทำกรรมถ้าหาไม่ได้ก็อย่าหามาดีกว่า ถึงแม้ว่าจะต้องตายก็ขอให้ตายด้วยการมีศีลธรรมไม่เสียศีลธรรมเพราะว่าตายแบบนี้ไม่ขาดทุนไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไปตกนรกก่อนตายแบบนี้ดีกว่าอยู่แต่อยู่แล้วทําบา ตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายซึ่งไม่ใช่เป็นที่ที่เราอยากจะไปกันมีใครบ้างอยากจะไปเกิดเป็นสุนัขอยากจะไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่เป็นภพชาติที่น่าปรารถนาเลยแต่ทำไมถึงมีสัตว์ชนิดต่างๆเหล่ า, านี้เกิดขึ้นมามากมายนั่นก็เป็นเพราะว่า มีการทำบาปทำกรรมกันไม่มีความมากน้อยสันโดษกันมีแต่ความโลภเมื่อมีความโลภแล้วก็ต้องทำก็ต้องไปทำบาปทำกรรมก็จึงมีสัตว์เดรัจฉานมีมากกว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานนี่มีจำนวนมากมายมากกว่ามนุษย์หลายหลายล้านเท่าด้วยกันมนุษย์เรามีเพียงหกเจดพันล้านคน แต่สัตว์ในราชาในโลกนี้มีนับจํานวนไม่ถ้วนดูจํานวนปลาดูจนนดดํานวนมดดูดูจํานวนแมลงดูพวกนี้ก็เป็นพวกที่ทํำบาปทากรรมทั้งนั้นถึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆกันส่วนพวกเรานี้ถือว่ามีบุญเพราะเราเคยรักษาศีลกันมาเราจึงได้เป็นมนุษย์กันนะ ถ้าถ้าถ้าถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ต่อไปเราก็ต้องรักษาศีลไว้ให้ดีรักษาศีลห้าไว้ให้ดีอย่าไปเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ากว่าศีลห้าสิ่งต่างๆในโลกนี้ถึงแม้จะมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่จะไม่มีประโยชน์กับจิตใจเลยจิตใจของเรานี้ไม่ไม่ได้รับความสุข จากสิ่งของต่างๆในโลกนี้มีแต่จะทำให้จิตใจของเรามีความทุกข์มีความกังวลมากขึ้นไปเปล่าๆโดยใช่เหตสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเรนี้มีความสุขก็คือการไม่มีความโลภไม่มีความโกรธและไม่มีความหลงนั่นเองเพราะเวลาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้ว ใจของเราก็จะสงบทุกวันนี้ที่ใจของเราไม่สงบเพราะว่าเรามีความโลภอยู่ตลอดเวลาให้นั่งเฉยๆสักห้านาทีสิบนาทีก็นั่งไม่ได้แล้วหมุนเหยียดใจรำคาญใจต้องหาอะไรทำต้องหาอะไรดูต้องหาอะไรรับประทานใจของเรามันโลภอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัว เคยบอกให้ใจนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรสักครึ่งชั่วโมงไหมไม่เคยเหรอกว่าทําไม่ได้นอกจากเวลาเหนื่อยมากๆแล้วไม่มีแรงเท่านั้นอะ่ะก็จะนอนพักผ่อนเพื่อเอาแรงแต่พอตื่นขึ้นมามีแรงแล้วก็ต้องลุกขึ้นไปทํานู่นทนํานี่ต่อไปนี่ไม่ได้เป็นเพราะเหตุอะไรหรอกนอกจากความโลภที่มีอยู่ในใจของเรานี่เอง แล้วเวลาที่เรามีความทุกข์ใจมีความโกรธมีความไม่สบายใจมันก็เกิดจากความที่เราอยากจะได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจนั่นเองพอไม่ได้ดังใจก็เกิดอารมณ์หุนหิดขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาถ้ามีใครมาขัดขวางก็จะโกรธคนที่มาขัดขวาง เพียงอยากจะทำอะไรแล้วถูกห้ามไม่ให้ทำอย่างนี้ก็จะโกรธขึ้นมา ท, าทันทีนี่เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าความโลภนี้เป็นโทษเป็นอันตรายต่อจิตใจไม่รู้ว่าประโยชน์สุขของจิตใจนี้เกิดจากการไม่โลภเกิดจากการทำใจให้สงบพวกเราจึงต้องมีพระพุทธเจ้ามา บอกความจริงอันนี้ให้พวกเราฟังให้รู้ว่าอย่าไปโลภเพราะโลภแล้วจะเกิดความโกรธเกิดความทุกข์ตามมาเกิดความหงุดหงิดใจเกิดความเศร้าใจเกิดความลำคาญใจตามมาถ้าไม่โลภแล้วใจสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงีิสูจน์มาแล้วด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงตัดความโลภทุกชนิดออกไปหมดเคยอยู่ในวังก็หนีออกจากวังไปไปอยู่ในป่าเพราะในเวลาอยู่ในป่าไม่มีอะไรที่จะทำให้โลภนั่นเองเพราะว่ามันไม่มีอะไรมีแต่ต้นไม้มีแต่ก้อนหินมีแต่ดินมีแต่สัตว์ป่าชนิดต่างๆซึ่งเราไม่เคยมีความโลภ ก, กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ สิ่งที่พวกเราโลภด้วยคืออะไรก็เราโลภ ก, กับเรื่องราภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองเราอยากมีเงินทองมากๆอยากจะมีตำแหน่งสูงๆอยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญอยากจะให้เขาชมเราแล้วก็อยากจะมีความสุขจากการดูจากการฟัง จากการดื่มจากการรับประทานแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันทําให้เราต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาทําให้จิตใจของเราไม่เคยมีความสงบเลยแล้วต่อให้เราดิ้นรนหามาได้มากน้อยเพียงไรเราก็ยังไม่ได้ความสุขสักทีมีแต่จะต้องคอยดิ้นอยู่เรื่อยๆ นิ่นไปเพื่อที่จะได้ไม่หงุดหงิดใจแต่พอไม่ได้ดังใจมันก็หงุดหงิดใจอยู่ดีลำคาญใจอยู่ดีถ้าไม่สามารถหามาได้มากๆต่อไปก็จะเกิดความเบื่อหนา่ายไม่อยากจะอยู่ในเรื่องนี้ต่อไปก็จะคิดฆ่าตัวตายกันคนที่คิดฆ่าตัวตายนี้ก็มีสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็เพราว่าสูญเสีย สิ่งที่ตนมีไปแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะหามาใหม่ได้ก็เลยไม่มีความอยากที่จะอยู่ต่อไปหรือคนที่ไม่สูญเสียแต่อยากจะได้สิ่งต่างๆแล้วก็ไม่ได้อยากไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิตไม่อยากจะอยู่ต่อไปนี่เป็นปัญหาเป็นโทษที่ตามมา จากความโลภจากความอยากต่างๆแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความโลภของเราให้อยู่ในกรอบถึงแม้ว่าจะไม่หมดไปได้อย่างพวกเรานี้ก็สามารถควบคุมความโลภได้จึงทำให้พวกเรานี้ยังไม่คิดที่อยากจะฆ่าตัวตายกันและเราก็ต้องพยายามควบคุมมันไปเรื่อยๆอย่าให้มันมีอำนาจ จนกระทั่งทำให้เราคิดผิดไปคิดอยากจะฆ่าตัวตายถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ก็ขอให้เรารีบเปลี่ยนใจรีบหันกลับมาแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการก็คือความอยากความโลภต่างๆนี่เองเราต้องมากําจัดมันด้วยการมาฝึกทำใจให้สงบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ ทำใจให้สงบ พ, พอใจสงบแล้วความโลภจะหายไปแล้วก็ความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ก็จะหายไปด้วยนี่คือวิธีแก้ปัญหาอย่าไปแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาตัวปัญหามันอยู่ที่ตัวคือตัวตัวความโลภความโลภมันอยู่ในใจ มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้าร่างกายไปตายแต่ความโลกที่อยู่ในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันยังอยู่กับจิตใจพอไปเกิดใหม่มันก็จะมาสร้างปัญหาใหม่ปัญหาเดิมให้กับเราอีกก็จะเกิดความโลกแล้วก็พอไม่ได้ก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายอยากจะตายอีกเหมือนเดิมถึงมีคาพูดว่า ถ้าข่าตัวตายแล้วจะต้องไปฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติเพราะมันจะติดเป็นนิสัยไปพอไปเจอปัญหาเดิมๆ เ, เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายก็จะฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราฝืนไม่ไปฆ่าตัวตายพยายามหัดนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบไปอยู่วัดตัดความตัดสิ่งต่างๆออกไป ไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็พยายามทำจิตใจให้สงบ พ, พอจิตใจสงบแล้วความรู้สึกท้อแทบเบื่อหน่ายความอยากตายนี้มันก็จะหายไปและมันก็จะหายไปอย่างถาวรไปเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะไม่มีความท้อแทบเบื่อหน่ายหรือว่าถ้ามีก็จะรู้วิธีที่จะแก้วความท้อแทบเบื่อหน่ายความอยากตาย ด้วยการทำใจให้สงบนี่เองดังนั้นการฝึกทำสมาธิด้วยการไหว้พระสวดมนต์ก็ดีด้วยการบริกรรมพุโทโธก็ดีด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ดีนี่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่ให้มันหมดไปเป็นวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับจิตใจของเรา เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแก้ปัญหาของพระ อ, องค์ด้วยวิธีดีมาพระ อ, องค์ก็เคยเป็นเหมือนพวกเรามาก่อนท่านก็เป็นผุ้ทุจรที่มีกิเลสตัณหามีความโลภโมโทสันมีความโลภโกดกหลงเหมือนกับพวกเรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้แต่พระ อ, องค์ทรงฉลาดทรงวิเคราะห์ศึกษาและทดลองวิธีแก้ปัญหามาหลากหลายวิธีด้วยกัน จนในที่สุดก็ได้พบกับวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือต้องชำระใจให้สะอาดต้องกบจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปด้วยการทำจิตใจให้สงบเช่นการนั่งสมาธิแล้วก็การเจริญปัญญาเพราะการนั่งสมาธินี้จะทำให้จิตใจสงบเพียงชั่วคราว ขณะที่นั่งอยู่แต่พอออกจากการนั่งสมาธิแล้วพอออกมาทำกิจการต่างๆจิตใจก็จะเริ่มคิดบูมแต่งกิเลสก็จะเริ่มมาสร้างความโลภให้เองตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาตัดกิเลสใช้เหตุผลว่าจำเป็นไ้ยต้องมีไหมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เอาถ้าจำเป็นก็ต้องหามาด้วยความสุจริตไม่ทาบาป ท, ทำกรรม ถ้าเรามีปัญญาคอยประกบอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความโลภมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างมักน้อยสันโดษได้อย่างสบายแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาต่อไปจะไม่มีความทุกข์ความท้อแท้ความเบื่อหน่ายในชีวิตจะอยู่ไปจนกว่าจะชีวิตจะหาไม่เมื่อถึงเวลาตาย ก็ไม่เสียดายชีวิตเมื่อถึงเวลายังไม่ตายก็จะไม่อยากตายจะเมื่อถึงเวลาตายก็จะไม่อยากอยู่คือจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะจิตใจไม่เดือดร้อนอยู่ก็ได้ไปก็ได้นั่นเองนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้แก่พวกเราคือทาบุญละบาป และชำละใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์จึงขอฝากเรื่องของการมาทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์สุขและความสิ้นทุกนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณทศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพิงกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากำเถร